นี่กาจวนจะออกพรรษาขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะทั้งพระใหม่เก่าให้เตรียมพร้อมให้ตั้งอกตั้งใจพระเก่าก็ให้เตรียมพร้อมอีกแบบหนึง่งสําหรับพระใหม่ก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่าให้มีปัญหาการจวนจะออกพรรษาแล้วทุกอย่างเราก็จะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างถึงเราอยู่นี่ เราก็ไม่ได้อยู่นานไม่ได้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายเราอยู่เพื่อปฏิบัติเราอยู่เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีให้มันตลอดลอดฟังให้สมบูรณ์แบบอย่าให้ได้ตำหนิตนเองอย่าให้หมู่เพื่อนได้ตำหนิอย่าให้ครูบาอาจารย์ได้ตำหนิไปด้วยสง่างามมาโดยสง่างาม อยู่ด้วยสงา่างามไปด้วยความสงา่างามนั่นล่ละไปที่ไหนอยู่ที่ไหนอย่าไปตัดน้ำทับทางตนเองไปอยู่นสถานที่ใดไปอยู่แล้วก็ตัดน้ำทับทางตัวเองไปเดือยกลับมาก็กลับไม่ได้เพราะมันมีขวากมีน้ำกลับมาไม่ได้ไม่ควรจะมีถ้าผู้มีปัญญาแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าโ ง, ง่งเง่าเตาตูนแล้วก็ไปที่ไหนตัดน้า ทับทางตนเองกับคืนมาก็ไม่ได้ตัวเองอยากจะมาเขาก็ไม่ให้ไปไม่เป็นบุคคลที่พึงปรารถนาของเขาเพราะนั้นเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไปยุนสถานที่ใดให้ตรวจตราดูการกระทาการพูดของตนเองอย่าให้มันมีเรื่องกระทบกระทั่งหมู่พวกเพื่อนอย่าให้มีปัญหากับวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม อยู่ในหลักธรรมวิยในของพระพุทธเจ้าเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ท่านมีจุดประสงค์อะไรพวกเรามาอยู่ถึงขนาดนี้แล้วควรจะอ่านออกแล้ว <c oughs> ควรจะอ่านออกว่าครูบาอาจารย์หลักของพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายมีจุดมุ่งมั่นอย่างไร เราควรจะอ่านออกได้แล้วพอมาอยู่สองเดือนครึ่งการเป็นอยู่ทุกอย่างจากนั้นเราก็ได้อ่านศึกษาในหลักธรรมวินัยหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหลักธรรมวินัยด้วยหลักธรรมคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ด้วยธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ฟังเทปของครูบาอาจารย์ด้วย ท่านได้ศึกษาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแตมาเป็นกบเฝ้าดอกบัวเฉยๆกบเฝ้าบัวกินบัวไม่ต้องโบราณท่านว่ามาใกล้บัวกินบัวไม่ต้องเหมือนกับกบเฝ้าบัวไม่เหมือนแมลงพึ่งบินท่องทางไกลแมลงพึ่งบินท่องทางไกลเข้ามาแล้วก็เอาเกสรดอกบัวไปแต่กบนั่นน่ะเฝ้าบัวบัวอยู่ตลอด อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะอย่าให้มันเป็นบกบเฝ้าบัวบกเฝ้าดอกบัวมาอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดในอ่านอะไรไม่ได้ศึกษาอะไรเขาว่าบวชก็คิดว่าจะได้บุญหรือไม่เชื่ออีกต่างหากเสียประโยชน์ในการบวชถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเราเป็นคนทั้งคนถ้าจะว่าไปแลยก็เป็นชั้นปัญยายชนได้รับการศึกษามาทางโลกอย่างดี เมื่อมาแล้วก็ต้องศึกษาทำไมพระพุธศาสนาเนี่ยเขาจึงนับถือมาต้งองพันกว่าปีมีดีอย่างไรเราควรจะศึกษาควรจะวิเคราะห์อย่างนั้นมันจึงจะถูกไม่ใช่เข้ามาแล้วกกินเป็นวันวั น, วนอยู่เป็นวันวันไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้เป็นการเตือนนะ แต่คิดว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราทั้งหลายควรจะเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาจากนั้นก็ทดลองทดสอบในภาคปฏิบัติพระพทุทธเจ้าที่ท่านสอนน่สอนอะไรสอนนามธรรมาสอนใจท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นสอนการกระทําก็สอนแต่ก็สอนใจถ้าใจฉลาดแล้วก็การแสดงออกมาทางนอกมันก็ฉลาดไปด้วย การพูดก็ฉลาดการกระทำก็ฉลาดเพราะใจฉลาดถ้าใจโง่เง่าเตาตุนแล้วแสดงออกมาทางกายทางวาจามันก็เห็นความบกพร่องไปเรื่อยๆเหมือนกันนั่นแนะเพราะใจไม่ฉลาดใจไม่ได้รับการอบรมที่ดีใจไม่ได้เรียนรู้ที่ดีใจไม่ได้ส้าเหนียกส้านึกที่ดี ไม่เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจสำเนียกสำนึกตั้งความสงสัยไว้ในใจเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนั้นเป็นยังไงปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการตั้งปัญหาถามในใจตัวเองแล้วก็พยายามเรียนรู้เรื่องต่างๆแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นได้เพราะ ผู้มีความใ่ในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้สับเนียกสำเนึ ก, นกตั้งความสงสัยไว้ในใจปัญญาเกิดทางว่าไม่คิดไม่อ่านอะไรอยู่เป็นวันๆไปซื่อบือ้นอนจมปลักอยู่ยงั้นอยู่ร้อยปีพันปีมันก็ไม่ฉลาดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะไปอยู่นะสถานถิ่นใดในวงการใดก็ให้สังเกต การเป็นอยู่ของตนเองอย่าให้ขาดตกบกพร่องทางเราขาดตกบกพร่องแล้วไม่เป็นพ้นดีตัวเองก็เอาตัวไม่รอดไปอยู่กับใครเขาก็หนักใจผลที่สุดก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาตัวไม่รอดแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายคนนักอกหนักใจด้วยกับตัวของเราเพราะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น พวกเราควรจะเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาประครบหรือเข้ามาเป็นแนวทางเดินของชีวิตนะพวกเราจะเดินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะแต่ถ้าว่าพวกเราเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เลยพระในครัง้งพระพุทธเจ้าก็มีเลยเอาแต่ใจตัวเอง จนพระพุทธเจ้าได้บัญญัติวินัยไม่รู้ว่าเท่าไรต่อเท่าไรพระองค์หนึ่งในพวินัยเป็นผู้ว่ายากหมู่พวกเพื่อนเห็นว่าท่านท่านเอาโ ต, โต๊ะต่างเก้าอี้ออกมาใช้ท่านทำไมไม่เก็บเข้าที่เก่าเอาของสงมาใช้ทำไมท่านไม่เก็บไม่รักษาท่านจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะ คือจะพวกของใช้ของสงโต๊ะเก้าอีจอบเสียมของใช้เครื่องซักผงซักผ้าอะไรก็ตามนะเนียแปว่าของสงคืว่าของสาธารณะที่ใช้ในสงเอาออกมาใช้แล้วไม่รู้จักเก็บเข้าที่เก่าทิ้งเกินไปหมดหมู่พเพื่อนก็เตือนว่าท่านเอาออของมาใช้แล้วท่านทําไมไม่เก็บของ พระอง์นั้นก็ทิฏฐิทิฏฐิมานะก็ของนั้นไม่ของไม่มีวิญญาณและก็เป็นของไม่วิจิตคือไม่สวยงามเหมือนกันของไม่วิจิตของไม่มีวิญญาณไม่เป็นไรหรอกพระเขาก็บอกว่าคุณนี่ใช่ไม่เป็นไรแต่ว่าของ น, นมันถูกปวกมดฝนแดดถูกแล้วเสียหายนะ ถ้าว่าเรารักษาเราก็จะใช้ไปในนานใช้ร่วมกันแต่ท่านเอามาใช้ทิ้งอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ถูกต้องพราะพูดพุทธเจ้าท่านทำนิท่านจะไปทำนงนี้ได้ยังไงเพราะของเป็นของญาติโยมขอถวายมาสงเป็นของกลางสงก็ควรจะรักษาจึงจะโธ่เผ้านั้นดันทุลังอย่างเดียวไม่ยอมฟังใคร จนเรื่องถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นบัญญัตินี่พระพุทธองค์ก็เรียกพระองค์นั้นมาภิกษุเธอทําอย่างนั้นจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะยังหน้าด้านอีกเด้ยัยงหน้าด้านว่าของที่นั้นเป็นของที่ไม่มีวิญญาณของที่ไม่วิจิตของไม่สวยงามกับผมพอออกมาก็ไม่ได้สนใจออกมาก็ใช่แล้วทิ้งไหม เธอจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงบุกฤษเจ้าในเมื่อเธอเอาของสงของกลางออกมาใช้เธอต้องเก็บถ้าองค์ใดก็ตามไม่เก็บปรับอบัติปาจิตติผูกเก้าอี้ของสงโต๊ะตั้งเก้าอี้ของสงมาตั้งในที่แจ้งแล้วไม่เก็บเมื่อหลีกไปแล้วไม่เก็บปรับอาบัติเธอเียะถือว่าเป็นของเล็กน้อยได้เหรือ การทำความชั่วในหัวใจของท่านเหมือนกับไฟนั่นะประมาทได้แล้วว่าเป็นของเล็กน้อยมันก็พร้อมที่จะไหม้ลุกลามไปได้เพราะมันเป็นไฟของที่ไม่ดีเหมือนกับเป็นไฟคุณท่านจะประมาทได้หรือว่าของเล็กน้อยเหมือนกับภาชนะนี่น่ะาชนะที่หงายขึ้นฝนตกทีละหยดทีละหยาดหลายหลายครั้ง ภาชนะนั้นก็เต็มด้วยน้ำได้ชั้นใดความชั่วของท่านท่านรับทีละน้อยละน้อยทุกวันทุกเวลาใจของท่านก็ได้รับความชั่วเต็มไปหมดในหัวใจของท่านธรรมะจะเข้าถึงได้อย่างไรท่านอย่าประมาทว่าของเล็กน้อยนั้นจะไม่ทำให้มันใหญ่โตได้เหมือนกับภาชนะที่หงายขึ้นมาน่ย มันตกลงมาน้ำฝนตกลงมาจากท้องฟ้าที่ละยดทลายเท่านั้น่ะมันยังเต็มได้ใจของท่านก็เหมือนกันรับความชั่วทุกวันความชั่วก็จะเต็มหัวใจของท่านเหมือนกันเพราะนั้นท่านอย่าประมาทว่าความผิดเล็กน้อยนั้นเป็นของถูกต้องท่านควรระเว่าง อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนภิกษุในยุคสมัยนั้นท่านให้เห็นโทษในการคิดในการกระทําในการพูดของตนเองอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงจะทุกข์เพาไมส่สิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงจะเป็นของเล็กน้อยอสิ่งนั้นก็คือเป็นของที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทํเาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ จะใช้ของสงของอะไรก็ตามภายในวัดใช้แล้วต้องคิดไม่ใช่เอาไปใช้แล้วทิ้งเกลือนอันนั้นคือของสงเขาเอามาถวายสงไม่ใช่ถวายเราไม่ใช่ให้เราเรานําไปใช้แล้วก็เก็บมาไว้ที่เดิมที่เก่าอันนั้นแปลว่ารักษาของสงถ้าว่าพวกเราเอาไปทิ้งไม่เก็บไม่รักษาปรับอบัตนะินะแปลว่าจิตใจลองรับความชั่วไปเป็นวันๆเป็นเดือนๆปีๆไปความชั่วนั้นนะ่ะ สุดท้ายมันจะได้ให้ผลเอเหมือนกับเรานับหนึ่งสองสามนับนับเงินถ้าเรานับเงินหนึ่งสองสามหลายหลายครั้งมันก็เต็มกระเป๋าอันนี้คือบุญกุศลถ้านับขี้เข้าไปบานก่อนนั้นก่อนนั้นก่อนนั้ น, ก, น, น, นก่อนเล็กก่อ น, น้อยเข้าไปเอมีแต่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มหัวใจบานมีแต่ไปทางชั่วเท่านั้นอ่ะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มหัวใจแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆอ ง, งนะที่เป็นพระเก่านะ สิ่งไหนก็ตามที่เป็นของกลางของสงแล้วนำไปใช้แลรีบออกมาไว้ที่เก่าเก็บเอาไว้ที่เก่าเก็บรักษาไว้ให้ดีอันนี้เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของใครทั้งหมดน่ะไม่ใช่สมบัติของผมอีกต่างหากผมซื้อมาก็ซื้อมาให้สงใช้ให้มาส่วนรวมใช้ส่วนกลางใช้เพราะนั้นเมื่อเราใช้ของส่วนรวมแล้วก็นำมาเก็บไว้ให้ดี ไว้ที่เก่าทำความสะอาดให้ดีก่อนที่จะมาเก็บเอาไว้นอันนี้คือการกระทาเป็นสามีจิกรรมประพฤติชอบในเรื่องนั้นพอในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตำหนิมาแล้วพระสงฆ์ใช้ของไม่ถูกต้องอิดุยชุยแชกไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย วันนั้นถ้าว่าพวกเราทําสิ่งหมู่นี้ถูกต้องจิตใจอ่อนโยนจิตใจมีเหตุผลจิตใจทําถูกต้องการประพฤติปฏิบัติบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของเราใจของเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเราทําให้ถูกไฟในนรกนะ่าจะเผาใจเราจะคิดว่าเราจะมีความสุขนะร้อนวันนั้นบางร้อนวันนี้บางอันนั้นก็ไม่จําเป็นอันนี้ไม่สําคัญ เห็นหมูเห็นเพื่อตกับควางหูขวางตาไปหมดเห็นญาติเห็นโยมกับใครๆบ่ๆไม่เห้ความสําคัญไปหมดเหมือนตัวเองเ่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสัตว์นรกมันไม่ได้มองดูอย่างนั้น อ, อ่มันไม่ใช่เทวบุตรเท ว, วดาที่ไหน đây. เด้ถ้าใจเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เห็นคุณค่าอะไรหมดแล้วใจเป็นนรกละถ้าลักษณะอย่างนั้นหาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องพยายามฝึกฝนนะฝึกฝนกายวาจาใจของเราฝึกฝนใจของเราให้ยอมรับ ยอมรับคําทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายอมรับหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้แแบบไหว้เหมือนกันเพื่อจะเดินทางแแบบไห ว, ว้มหาสมุทรเหมือนกันเพื่อจะข้ามฝั่งไปสู่อีกฝากคือพระนิพานเพราะฉะนั้นเราก็องค์หนึ่งเหมือนกันแแบบไห ว, ว้ต้องให้ความสําคัญซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วตัวเองจะกลางจะใหญ่ จะฉลาดมองคนอื่นไม่อยู่ในสายตาไม่ได้เต่างคนต่างมองกันไม่อยู่ในสายตา ง, งั้นมีแต่เรื่องยุ่งท่างนั้นจะเกิดขึ้นได้เเรื่องกิเลสกิเลสโทสะกิเลสโมหะอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายการพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ได้พูดให้องค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เย็ดย้มท่านผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพูดเป็นคำกลางถ้าพวกท่านทำอย่างนั้น จีบหายความหายนะะจะเข้ามาสู่พวกเราแน่นอนแต่ถ้าพวกเรามีเหตุมีผลในจิตในใจรู้จักเขารู้จักเรารู้จักหมูพวกเพื่อนรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรพูดไม่ควรพูดสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละหลวงปู่ล่าท่านบอกนะในเทปฟังดูแล้วไม่ใช่แต่หลวงตาเด้หลวงปูล่ลกาเอาเทอะนะ เนี่ยพระในวัดของเรานี่ยนะกัมมัดกัมวยใส่กันนะเราจะไล่หนีทั้งคู่นะ เ, เราจะไม่ให้อยู่นะ เ, เป็นพระกรรมาฐานทําอย่างนั้นไม่ได้ เ, เป็นพระกรรมาฐานมาละกิเลสเราจะมาแก่งมาแย่งกันมาใช้ทิฐิมานะใส่กันไม่ได้นะไล่นี้นะหลวงปู่มั่นท่านกระทามาอย่างนั้น ถ้าว่าใครผิดใครถูกไปฟ้องเจ้าคณะตำบลอำเภอน่นาะนะตรงนี้ต้องไล่ออกซะก่อนในวัดนี่ต้องไล่ออกซะก่อนอถ้าอย่าว่าฟ้องว่าใครผิดใครถูกลงไปฟ้องพี่นุ่มเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะแต่ตรงที่วัดของเราเนี่ยถ้าทำอย่างงั้นแล้วไม่ได้ผิดกฎต้องไล่ออกหลวงปู่ท่านพูดอย่างนั้นหลวงปู่ล่าฟังเออไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่สมัยก่อนผมอยู่กับท่าน ก็มีพระอยู่องค์สององค์ท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนี้แต่พอต่อมาพระมากเลยนี่ท่านก็ต้องใช้พระเดชเข้ามาพระเดชทั้งพระคุณอยู่ด้วยกันมีทั้พระคุณอย่างเดียวไม่ได้ปกครองไม่ได้ต้องมีพระเดชทั้งพระเดชทั้งพร ะ, ระคุณอยู่ด้วยกันอสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็เอาจัดการถ้าสิ่งไหนดีก็ออกอยู่ร่วมกันอนุโมทนาสาธุ ต่างองค์ต่างภาวนาของใครของเราเสา ะ, ะแสวงหาทางพ้นทุกแวกไหว้มหาสบุทดเพื่อจะข้ามฝั่งโอเคสงสารจะไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกพยายามต่างองค์ต่างพยายามต่างองค์ต่างมีความมุ่งมั่นถ้าทุกองค์มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นแล้วเรื่องทั้งหลายเนี่ยไม่มีไม่มีในวงการสงของพวกเราแต่พวกเราแย่งกันอยากจะมีความสุข อยากจะได้กินมากกว่าเพื่อนอยากจะได้นอนมากกว่าเพื่อนอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญมากกว่าเพื่อนอยากจะให้คนยกย่องมากกว่าเพื่อนนั่นแหละตัวกิเลส ต, ตัวเป่งตัวนี้อยู่ที่ไหนมันจะมองเห็นคนอื่นไม่อยู่ในสายตาอะไรทีไหนกิเลส ต, ตัวนี้มันจะขม่มหลังแกใครๆไปทั้งหมดนะยกตนสูงท่วมฟ้าพอนะ่ะท้งที่กิเลส ต, ตัวนั้นมันต่า ยิ่งกว่าสัตวิระหลานอสุรกายอีกต่างหากกิเลสประเภทอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราอย่าไปให้ความสําคัญนะต้องเป็นผู้อ่อนออ น, น้อมถ่อมตนรู้จักท่านวยวุฒิคุณวุฒิครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนมีคุณค่าทั้งหมดนะั่นะต่างองค์ต่างมีคุณธรรมในจิตใจแล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะมาสู่พวกเราเแน่นอนเออพราะความ การอยู่ร่วมกันด้วยความพร้อมเพียงสำมัครีนี่แหละจ่มีความร่มเย็นเป็นถุกเรื่องขาดตกบกพร่องไม่มีแล้วอยไปคิดถ้าเราอยู่อย่างพระถ้าอยู่อย่างพระไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องผมดูอยู่แล้วของใช้ไม้สอยของอยู่ของฉันอะไรขาดเหลือขาดตกอะไรไม่มีผมดูแล้วไม่มีสมบูรณ์ ขนาดนี้สมบูรณ์จะให้กว่านี้ไปไปกิเลสถ้าเกินกว่านี้ไปแปลว่ า, าส่งเสริมกิเลสแต่ขนาดนี้ผมดูแล้วก็ยังพอแรงอยู่แล้วอถ้าเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านอยู่ยังไงถึงจะมีมากท่านก็ไม่ฉันก่อนที่ท่านจะฉันท่านก็มองดูซะก่อนว่าควรจะฉันอะไรสิ่งนี้ฉันเข้าไปมันจะเป็นพิษเป็นภยนนัยแนี่พอเราจะฉันพระเนรจะฉั น, นท่านตาทะลึ่งใส่เลย มันไม่ดูตัวเองเหรอทําไมมันไม่รักษาตัวเองจะให้ครูบาอาจารย์รักษาให้เหรอทํามันไม่ไม่สังเกตพอกินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงทําไมมันไม่สังเกตอืมอันนีน้โดยมากท่านเป็นอย่างนั้นท่านเห็นในตาทึ่งเสลย์เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ไม่ไม่ให่อยากให้ฉันแต่พอฉันแล้วมันเป็นพิษเป็นภยัยเพราะนั้นท่านจึงห้ามปลามเอาไว้ แต่ผมก็ไม่ได้คิดทําถึงขนาดนะั้นแต่บางครั้งผมก็บอกอบอกก็อย่างว่านนะั่นแหะคือแนะแนวทางผมก็พยายามบอกกล่าวเตือนพวกท่านทั้งหลายาผมบอกกับท่านทั้งหลายนะสมัยผมเป็นผ้านหนุ่มเป็นยังไงพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยอันนี้พวกผมมาอยู่ที่นี่แล้วผมยังจันตามปกติผมก็ยังผอมโกกอะมาอยู่ที่นี่แต่อยู่ที่บ้านตาดไม่ต้องพูดถึง เพราะเหตุไรเพราะผมระวังระวังทั้งหมดการหลับการนอนการอยู่การฉันต้องเตรียมพร้อมระวังอยู่เสมอจึงเอาตัวรอดได้นะถ้ากินตามอาเภิดใจนอนตามอมเพิร์ใจคุยตามอมเพิร์ใจมุ่ดสมกันตามอมเพิร์ใจพูดคุยตามอมเพิร์ใจพูดได้เลยถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์ต่อไปภายภาคหน้าเป็นผู้ใหญ่ชังกระตายไปเป็นอย่างนั้นล่ะหากดทากเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลาย ฟังไว้นะในคํำนี้ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เป็นพ้าหนุ่มพ้าน้อยสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําถ้าทําไปแล้วมันเป็นชนกติดตัวเองเออย่างพระนี่เหมือนกันนันะถ้าไปต่อยไปตีกันแล้วนั่นแหละมันติดชนกไปถึงวันไหนโน้นนะคิดขึ้นมาวันไหนก็นั่นแหละเอใครได้ยินก็อายไปถึงนั่นอย่าให้มันมีในวงการของตัวเองอย่าให้มันเป็นประวัติติดตัวเองอย่าให้มันมีเป็นประวัติการพูดการ จะอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเขาก็มีกิเลสเราก็มีกิเลสรู้อยู่แล้วเขามีกิเลสเราก็มีกิเลสเราจะไปชนกับเขาถ้ามันมีกิเลสถ้ามันเผาตัวเองอย่าทเป็นออกไปเผาคนอื่นอย่าไปแย่คนอื่นถ้าแย่คนอื่นเขาตีปากกันปากเยินเทีนี้เป็นประวัติระบาดไปประวัติถึงถึงไหนน่ะถ้าเราชอบอย่างนั้นไหมเราชอบอย่างนั้นไหมถ้าชอบแล้วก็เจออีกแน่นอนละ ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งมันแก่งเท้าหาเสียนเด้แก่งเท้าหาเซียนมันก็ต้องเจอเซียนเป็นธรรมดาเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายฟังไว้นะคำนี้อันนี้เป็นการสอนบอกกล่าวในวันอุโบสถนะปารบเรื่องกฎระเบียบวินัยให้พวกเราได้ฟังอตอนนี้ไปก็สวดท้ายปฏิโมก